คนภาวนานะกับคนไม่ภาวนาเนี่ยเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยต่างกันมากอย่างคนสองคนนะีน่ใสยใจคออะไรนี่สูสีกันเสมอันคนหนึ่งภาวนาผ่านวันเวลาไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยส่วนคนที่ไม่ได้ภาวนานะไม่ค่อยเปลี่ยน ครูบาอาจารย์บอกหมื่นปียังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเคยแย่อย่างไรก็แย่อย่างนั้นหรือแย่มากกว่านั้นถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนลงนะคนภาวนานะค่อยๆข ย, ย, ย, ยบขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ขึ้นเร็วอย่างนี้หรอกมค่อยกระดึบ๊บกระดึไปหล่นบ้างก็ขึ้นไปอีกอดทนเอาเมื่อปีสนะองห้าหลวงพ่อไปหาหลวงปู ด, ดุล ไปกับ น, น้องคนหนึ่งภาวนาด้วยกันไปเรียนจากหลวงปูดดูลด้วยกันงินเริ่มวันเดียวกันเริ่มวันเดียวกันหลวงพ่อภาวนาได้เร็วกว่าเขาอยู่เดือนสองเดือนภาวนาหลวงพ่อภาวนา ในพรรษาปีสองห้าต่นนั้นไม่ได้บวชเขาบวชหลวงพ่อไม่ได้บวชเราก็พอเอาตัวรอดไดนะ้เขาออกพรรษา่อนเขาทําได้บ้างเสร็จแล้วไปหาหลวงปู่ดุลพล้วไปอยู่กับหลวงปู่ดุลนะเป็นพระนะอยู่กับหลวงปู่ดุลป ล, ปลายปลายปีหลวงพ่อขึ้นไปไปรับเขาเขาจะสึก ลาราชการไปอยู่ได้แค่นั้นนะลาหมดแล้วมันพักร้อนพักผ่อนลากิจลาอะไรลาหมดแล้วนะลาบวชก็หมดแล้ ว, ลวต้องศึกเขาปากกับแม่ไว้บวชแล้วต้องศึกหลวงปู่ก็ถามว่าพอหนาถึงขนาดนี้ยังจะศึก อ, อีกเหรอเนี่ย ไปบอกท่านว่าขอสึกนะท่านบอกภาวนาถึงขนาดนี้ยังจะสึออกเหรอจําเป็นต้องไปดูแลแม่นะหลวงปู่ก็เงียบไม่พูดแม่อนุญาตเขาขอครั้งที่สองท่านก็ไม่พูดแม่อนุญาตพอครั้งที่สามนั้นาก็ถามหลวงปู่ หลวงปู่ครับฆราวาสเนี่ยทำที่สุดแห่งทุกได้ไหมหลวงปู่อึ๋องหนะักไม่อยากตอบเลยได้ไหมครับได้ในใจเขาก็นึกนะนนเราไปเป็นขราวาสเราไปทำที่สุดแห่งทุกนึกในใจนะหลวงปู่หันมาตายเฉียวปั๊ดเลยมันจะไม่ได้น่ะสิ พอสึกไปแล้วก็เขาอยากอยู่กับโลกเจ็ดชาตนะิอยากเกิดเจ็ดชาติส่วนหลวงพ่อไม่อยากเกิดสักชาตินะภาวนาไม่เลิก น, ะนานๆมาเจอกันทีนะเขาก็โง่งงามนะสะอาดหมดจดจิตใจเขาดีมากๆเลยเทียบกับพวกเราเทียบกับผู้ช่วยสอนไม่ต้องเทียบกับพวกเราทั่วไปหรอก เทียบกับผู้ช่วยสอนส่วนใหญ่สะอาดกว่าเยอะเลยแต่เขาปนิธานเขาขอเกิดอีกเนี่ยยังได้เกิดอีกนะบอกเขาตอนจะเสียบบวชไม่ล่ะทำที่สุดแห่งทุกใจมันก็พร้อมแล้วไม่ได้อะใจใจมันยังอยากเกิดอีก เราเลือกอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะเลือกแล้วลงมือทำอยางอยากเกิดเจ็ดชาติเราก็ต้องลงมือทำเหตุที่จะได้เกิดแค่เจ็ดชาติไม่เกิดแปดชาติต้องทำเหตุอยากไม่เกิดก็ต้องทำเหตุที่จะไม่เกิดจะทำลายต้องทำลายเชื้อของการเกิดในจิตของเราให้ได้จิตเหมือนเมล็ด ของต้นไม้นะเหมือนเมล็ดมะม่วงมเมล็ดน้อยหนาอะไรเงี้ยในเมล็ดนั้นมันมีต้นอ่อนอยู่แล้วมันมีอาหารอยู่ที่จะเลี้ยงต้นอ่อนเวลาเไปเพาะจะได้งอกได้เชื้อเกิดของมันคือตัววิชาจ่เป็นต้นอ่อนของมันพร้อมจะงอกขึ้นมาได้อาหารที่หล่อเลี้ยงมันนะก็มี วิบากที่ดีที่ชั่วทั้งหลายที่สะสมมาจเป็นอาหารเลี้ยง้ต้นอ่อนนี้งอกออกมาแล้วจะสวยงามหรือจะน่าเกลียดอนะไรเงี้ยบางต้นก็แค้กแกลนนะไม่มีอาหารบางต้นก็งอกงามสวยงามบางต้นพิกลพิการแต่ตัวเกิดจริงๆเน่ ที่เป็นเชื้อของการเกิดจริงคือตัวอวิชชาหลวงพ่อเรงยกับหลวงปู่ดูลนะพอท่านสิ้นไปแล้วก็ไปเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศหลวงปู่ิบอะไรพวกนี้หลายองค์วันหนึ่งไปส่งกันบ้านกัหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมเห็นจิตต้นกำเนิดละจิตซึงเป็นต้นกำเนิด ผมจะทำลายเป็นยังไงท่านก็บอกภาวนาไปถึงเวลามันทำลายของมันเองตัวจิตที่เป็นต้นกำเนิดเปนจิตที่มีอวิชชาอยู่เราไม่รู้วิธีทำลายอาวิชชา ตอนหลวงปู่ดุลยเดชินท่านก็สอนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเรียนจากท่านแล้วก็จำไว้แต่ว่าไม่รู้เรื่องอะ่ะมันเกินภูมิวันรุ่งขึ้นลงจากสุรินมาต้อมาแวะหาหลวงพ่อพุทธนะ่ะหลวงพ่อพุทธท่านก็กลัวหลวงพ่อไปทำลายตัวผู้รู้จะาทำลายตัวผู้รู้นี่บ้าเลยนะ ธรรมดาพวกเราก็บ้าอยู่แล้วเราพัฒนาได้ตัวผู้รู้มาเราหายบ้าไปทําลายตัวผู้รู้เนียจิตแตกเสียหายหมดเลยกรรมฐ า, านล่มเลยหลวงพ่อพูดกลัวหลวงพ่อจะเป็นระเบิดตัวผู้รู้ทิ้งท่านก็เลยบอกว่าทําลายผู้รู้คือไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือมัน ท่านบอกว่าคุณกับอาต ม, มามาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกัน mm. หลวงพ่อรู้คำตอบอยู่แนละ้ว mm. ว่าท่านต้องทำลายแน่เลยเราไม่ได้ทำลายหรอก mm. ผ่านมานานนะไม่เจอท่านนานๆนานไม่เจอท่านครั้งสุดท้ายที่เทโอเทียก่อนท่านมรณนะภาพไม่นานนะท่านมาเทศเทศเสร็จเราเข้าไปกราบ หลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นะับปฏิบัติมีไม่มากหรอกเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณไข่ไก่ไปเรียกเป็นฟองฟองจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเอง ท่านท่านพูดแบบห้าหานมากเลยนะหน้าตาท่านนี้สว่างสวัยขึ้นมาเลยท่านที่ท่านไม่สบายนะไม่สบายมากเทศไปก็เหนื่อยไปอนะไรเงี้ยพอเราพูดถึงธรรมะในขั้นนี้ขึ้นมานะท่านรา่าเริงขึ้นฉับพลันเลยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือออกมาเอง หลวงพ่อลงกราบท่านเข้าใจแล้วนะเจอท่านมาบวชนะตอนเจอท่านนี่ใกล้จะบวชล้ะมาบวชนะท่านก็สิ้นไปแล้วตอนนั้นนะมันก็เห็นตัวผู้รู้อยู่เนี่ยข้าพเจก็คิดนะเมื่อไหร่ลูกไก่มันจะโตวะ ลูกไก่ตัวเนี้มันจะเป็นไข่ข้าวอยู่แล้วเนอะรู้จักไข่ข้าวไหมใครใครไม่รู้จักยกมือพวกเด็กสมัยใหม่ถ้าเด็กสมัยเก่านะเคยไปเที่ยวสนามหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะหาบมาขายเป็นไข่ที่ฟักไม่เป็นตัวแต่มันมีไก่อยู่ข้างในนะเป็นลูกไก่ตัวจิ๋วๆอยู่ในไข่ แล้วเขาทำมาอีท่าไหนไม่รู้จะตัวเหลืองๆ เ, เห็นเราคลื่นไส้ไม่ได้อยากกินเลยนะใครนึกออกไหมใครเคยเห็นใครเคยกินอร่อยไหมอร่อยอะหนูพ่อไปกรวดซะก่อนเลยชีวิตนี้ขาดประสบการณ์ไม่ต้องเอามานะ <laughs> รู้เถอโอ้ยลูกไก่โง่ชิบหายเลยเมื่อไหล่มึงจะเจอบเปลือกมันจอบไม่ได้สทัทีมันขาดอะไรอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรแล้วนะภาวนาอยู่พักใหญ่นะมันขาดความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ขาดตัวนี้ลูกไก่เลยออกจากเปลือกไม่ได้สทัทนะีอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยในโรดมาร สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์อย่างแท้จริงก็คือตัวขันห้าตัวรูปนามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดครากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ แม้ความโศกความร่ําไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์เนี่ยฉันวาอย่างนี้แล้วก็ประโยคสุดท้ายที่เด็ดอยู่ตรงนี้โดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์เนีงั้นตัวทุกข์ที่แท้จริงก็คือตัวอุปาทานขันทั้งห้าฟังแล้วก็แปลยากอีกอุปาทานขันตัวขันห้าเนี่ย ขันห้าในขันห้ามันมีสองชนิดขันห้าที่เป็นอุปาทานขันกับขันห้าที่ไม่ใช่อุปาทานขันขันห้าที่ไม่ใช่อุปาทานขันก็เป็นพวกโลกุตรจิตทั้งหลายไม่ใช่อุปาทานขันเป็นขันไหมโลกุตรจิตเป็นขันแต่ไม่ใช่อุปาทานขันเป็นขันที่พ้นอุปาทานเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตรจิต อันนี้ก็ไม่เป็นอุปาทานขันจิตกับเจตสิกแล้วก็รูปที่พวกเรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันตัวเนี้ยตอนหลวงพ่อบวชครั้งแรกนะที่วัดชมพานธเนี่ยสวดมนต์เกิดความเข้าใจผิดมีการแปลนะสวดมนต์แปลขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป ขันน่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาแปลถูกนะแต่เราส่วนแล้วเราโง่เราแปลผิดอีกทีเราไปคิดว่าถ้าเรายึดในขันห้าเนี่ยถึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์เพราะเราไปแปลว่าอุปทานขันคือขันที่ถูกยึดที่จริงไม่ใช่อุปทานขันเป็นชนิดของขันนะที่มันไม่ใช่โล ก, กุตละนะ นี่พอแปลผิดนะว่าภาวนาก็ไม่ถูกอะที่จริงแล้วตัวขันห้าที่พวกเรามีนี่แหละคือตัวทุกขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาก็คือรูปประธรรมกนามธรรมที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเราตัวนี้คือตัวทุกข์แต่พวกเราไม่เคยเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายเนี่ยเราเห็นไหมว่าเป็นตัวทุกข์ เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยทุกบ้างสุกบ้างใช่ไหมเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายคือทุกทุกมากกับทุกน้อยไม่เห็นแต่เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าจิตใจคือตัวทุกแต่เราเห็นว่าจิตใจเนี่ยทุกบ้างสุขบ้างใช่ไหมนั่นแหละถึงเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกวิชายังอยู่เรียก ว, ว่าไม่รู้ทุกถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเนะเข้าใจเลยตัวผู้รู้อะ่ะ ตัวอื่นนะไม่ต้องพูดถึงหรอกระหว่างทางที่ภาวนาไปเนี่ยมันวางไปหมดละมันวางรูปตอนที่ได้ผ้านาคานะนา ม, มาทำอื่นๆเนี่ยมันก็วางไม่สนใจหรอกสนใจแต่ถนอมรักษาตัวจิตจะให้บริสุทธิ์หลุดพ้นอยากให้มันหลุดพ้นตัวจิตผู้รู้นี่แหละคือหัวโจกเลยคือไอ้จิตต้นกำเนิดนี่เอง เราพอนานวางวางวา ง, วางตัวอื่นมาจนะเข้ามาที่จิตผู้รู้เนี่ยแล้ววันใดที่ปัญญาแก่กล้าเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์มัจะวางตัวจิตผู้รู้ลงตอนที่วางกายก็เพราะเห็นว่ากายคือตัวทุกข์ตอนที่วางจิตก็เพราะว่าเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบางังคับไม่ได้ พอเห็นความจริงอย่าง น, นี้แล้วนะเรียกว่ามีวิชาทำลายอาวิชชาความเห็นผิดนะว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่จริงคือทุกข์มันจะเป็นลงประโยคที่พระพุทธเจ้าบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่หลวงพ่อไปเจอในพระไตปิดดกแต่ก่อนจะเจอเนี่ยหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่เทศท่านสอน ท่านสอนมาจากการภาวนาของท่านท่านท่านบอกเลยสิ่งที่เกิดนี่มีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพอเรารู้ทุกเขียมแจ้งจิตก็ไม่ยึดถือนะในตัวจิตไม่ยึดตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ยึดอะไรในโลกแล้วจิตผู้รู้เป็นศูนย์กลางของชีวิตจิตใจชีวิตจิตใจของเราก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาล เวลาเราดูจักรวาลก็ดูไปจากตัวเรานี่เองงันะจุดที่เป็นแกนกลางของชีวิตจริงๆนะคือตัวจิตผู้รู้นี่เอนะหมดความยึดถือตัวนี้ก็คือปล่อยขันห้าขันห้าเป็นผลผลิตของจิตนะจิตที่เลิ่ที่สุดคือจิตผู้รู้จิตที่มีกิเลสลึกซึ้งที่สุดคือจิตผู้รู้เป็นะจิตที่ดีเลิ่ที่สุดด้วยนะเหลวเลิ่ที่สุดด้วย อยู่ในตัวเองนี่แหละนีก่อนที่เราจะมาตื่นตรงนี้เราต้องภาวนาให้มันมีจิตผู้รู้ก่อนนะแล้วค่อยมาเรียนรู้มันจิตของเรามันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะสร้างให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาก็คือมีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตผู้หลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนั่นแหละ นั้นทันทีที่จิตมันหลงไปคิดมีสติรู้ทันจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเองจิตผู้หลงจะดับไปเองนเนี่ยฝึกบ่อยๆหลงปุ๊บรู้ปับ๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยะหลงปุ๊บละ่ะรู้เลยล้สุดท้ายสมาธิมันจะเด่นดวงขึ้นมานะจิตมันจะเด่นดวงขึ้นมามีสมาธิสมบูรณ์แล้วสมาธิสมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าจิตไม่เคลื่อ น, นะสมาธิสมบูรณ์เนี่ย มันเปลี่ยนสภาพจิตจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นคนดูดูอะไรดูความเกิดดับของจิตเจะเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้คิดนึกปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปเพ่งเนี่ยคือจิตปรุงแต่งนะแต่ปรุงแต่งฝ่ายดีจิตที่หลงไปนะเป็นปรุงแต่งฝ่ายชั่วเป็นจิตปรุงแต่งเหมือนกันจิตผู้รู้เนี่ยอยู่เหนือจากไอ้จิตปรุงแต่งพวกนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดู ก็นะเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงนะดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญาจะเกิดจะรู้ว่าจิตทุกอย่างกระทั่งจิตผู้รู้ก็เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะเป็นของที่เกิดดับเหมือนๆกันนะจิตแค่จะปล่อยวางจิตนะนี่เส้นทางเดินที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะหลวงพ่อก็มาบอกต่อให้ อ้าวส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนตอนทําในรูปแบบอะครับที่ผ่านมานานแล้วครับหลายเดือนหลายปีแล้วรู้สึกว่ามันมันเพ่งมันมันแน่นนะครับแต่พอมาอยู่เนี่ย3วันอะรู้สึกว่ามันมันไม่เพ่งเหมือนเหมือนที่เคยทําในรูปแบบมาครับขอกันบ้านครับเราจําสภาวะแบบที่ดีนี้ได้น ะ, ะเพราะอย่าไปเอาไว้นะ อ๋อครับการเตรียมประคองแลละนั่นแหละตรงนั้นน่ะผิด <c oughs> อยู่เป็นกลับเลย <c oughs> ดูมันเกิดดับอย่างที่หลวงพ่อสอนแต่กี้เนี่ยครับผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้หลงก็ไม่เที่ยงดูงั้นอย่ารักษา <c oughs> ไอ้ที่ประคองหนึ่งพวกรักษาจิตครับ <c oughs> แล้วกําลังนะครับเราต้องคอยดูหรือว่าคอยประเมินมันไหมครับว่าตอนนี้มันมากหรือมันน้อยหรือว่า หรือว่าไม่ต้องสนใจกำลังนะสะสมไปเหออครับไม่ต้องกลัวมาก อ, อย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราสำรวจตัวเองนะีถ้าปัญญามากไม่ใช่ลดปัญญาลงศรัทธามากก็ไม่ใช่ลดศรัทธาลงนะ แต่เพิ่มตัวอื่นให้สมดุลขึ้นมาลดไปเรื่อยๆหมดนะไม่มีศรัทธาเลยนะก็ปลูกศรัทธาหน่อยวิธีให้ศรัทธานะภาวนาเยอะๆแล้วมันเห็นผลแล้วมันศรัทธา ค, ค, ความเพียรไม่มนะีเพราะมันประมาทเตือนตัวเองสอนตัวเองบ้างว่านะ คนอื่นเขาก็ตายนะเราพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ประมาทไม่ได้ต้องมีความเพียรอย่างหลวงพ่อไม่ได้คิดเรื่องตายหลวงพ่อคิดถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาแล้วถ้าเราขี้เกียจนะเราละอายแก่ใจเนี่ยอาศัยศรัทธาเคารพแน่นแฟน้ในครูบาอาจารย์เหมือนเราจะทำอะไรไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังคนอื่นนะ อย่างน้อยเราก็รู้ของตัวเองแล้วเราก็รู้ด้วยว่าถ้าเราทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะตำหนิทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์อยากให้ทำารู้อยู่อย่างนี้มันไม่กล้าไม่กล้าทำอะไรนอกข อ, อกที่ค ร, าารูบาอาจารย์กาหนดไว้อยากขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ขี้เกียจว่าภาวนาสติ ก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราพอนาเยอะภานาถูกหลักก็คือมีสติเมื่อไหรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรจําไหมเลยนะหลวงปู่มั่นสอนไหมเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรชะนอนกระดิกเท้าอยู่แต่มีสตินั่นกําลังทําความเพียรอยู่เดินจงกรมหามลุ่งหามข้ามไม่มีสตินะมีแต่ความเคร่งเครียดนั่นไม่ได้ปฏิบัตินั่นกําลังทํา อาตากิลมัฏฐานโยกอยู่ยนะเนี่ยสติมันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นมาเพราะยิ่งเราทําความเปี่ยนมากนะกิเลสเกิดเราค่อยรู้นะกิเลสดับเรารู้กุศลเกิดเรารู้กุศลดับไปเรารู้หรือกุศลพัฒนาขึ้นไปเรารู้หลวงพ่อวัดตัวเองได้เลยนะว่ากุศลน่ะพัฒนาขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะกิเลสเหลือเท่าไหร่แล้ะดูออกเลยนะดูออกเลย ไปเจอหลวงปู่ดูลนะจาบท่านบอกว่าผมเห็นแล้วครับเนี่ห้าวหารขนาดไปบอกหลวงปู่เลยนะผมเห็นแล้วครับตอนนี้ผมล้างกิเลสไปสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วหลวงปู่ยิ้มหวานเลยฉลาดนานๆนนชมทีส่วนมากนะหลวงปู่ไม่พูดอะไรครับนะเราดูกิเลสตัวเองออก ทำไมกล้าไปพูดกับท่านเพราะท่าน่ะเคยพูดกับหลวงปู่มัน่นท่านเองกับหลวงปู่มั่นอยู่สามเดือนนะแล้วกลับมาส่งกันบ้านบอกในกิเลสสี่ส่วนเนี่ยหนึ่งส่วนผมล้าเด็ดขาดแล้วส่วนที่สองเนี่ยล้าได้ครึ่งหนึ่งส่วนที่สามที่สี่ยังล้าไม่ได้เ น, นี่ยวัดใจตัวเองแต่อยา่าข้อข้างตัวเองนะ พวกติดสมาธิมันจะเข้าข้างตัวเองนไม่มีกินเลสแล้วอะไรเงี้ยภาวนานะสนุกสนุกไม่เห็นอะไรสนุกเหมือนการปฏิบัติเลยลมลุกลุกลานนี่แหละสนุกนักหนาหัวะละฮ่าๆเลยเห็นไหมสะใจมันมาก เวลาภาวนานะลมลุกคลุ ก, ลกครานอดทนพัพเพียนเอาล้มแล้วก็ลุกนะคลุกฝุ่นอยู่ยังคลานไปไม่อยู่กับที่สู้ไม่ยอมถอยต้องอย่างนั้นนะใจของนักปฏิบัติท้อแท้หดทูไม่ได้เรื่องเหมือนศิษย์ไม่มีครูลูกไม่มีพ่อมีแม่เป็นศิษย์มีครูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นต้องสู้นะอ้าวว่ามา เราต้องสู้ให้เยอะหน่อยนะใจยังอ่อนอยู่ขอบุณครับสู้โดวยวิธีส่งใหม่เลยเนี่ย <c oughs> ขอการบ้างเลยครับยังประคองอยู่ยังควบคุมบังคับจิตอยู่ยังแน่นๆอยู่นะมันประคองเพราะว่ามันโลภอยากดีอยากปฏิบัติวิธีการไม่ใช่ไม่ปฏิบัติแต่วิธีการคือรู้ทันว่าโลภ ความโลบดับการประครับประคองก็ดับเหตุดับผลมันก็ดับนะเหตุก็คือโลภผลคือการประครับประคองพอไม่โลภก็เลิกประคองการประครับประคองเป็นเหตุมีความแน่นมีความทุกข์เป็นผลพอเลิกประครับประคองมันก็เลิกแน่นเลิกอึดัด น, น, นะ ทุอย่างมีแต่เหตุกับผลทั้งสิ้นในตลอดสายของการปฏิบัติขอการบ้านค่ะนี่แบบขอเอาตัวรอดนะ <c oughs> ไม่รู้จะเอาไงดีขอการบ้านก็แล้วกันยังประคองจิตอยู่รู้สึกไหมค่ะเ <c oughs> นี่ยหลวงพ่อจูนนะ ปรับให้เท่ากันเลยเกิดที่โยมเป็นอนะ <laughs> ดูออกอยังเออดูออกแล้วเดี๋ยวก็จะหายดูไม่ออกไม่หายหรอกนะเอา้าใครจำเป็นจะส่งกันบ้านขอจำเป็นนะต่อไปเรจะเลิกตรวจกันบ้านแล้วนะให้ช่วยตัวเองนี่ ธมศสการหลวงพ่อคะ่ะจิตเป็นธรรมชาติไหมตอนเนี้ยบังคับอยู่ค่ะเออรู้อยู่แล้วเป็นบังคับมันทําไมอ่ะตื่นเต้นคนะ่ะเดี๋ยวพูดไปรู้เรื่องตื่นเต้นเนาะคือหลวงพ่อคะหนูอยากทราบว่าที่หนูปฏิบัติอ่ะคะ่ะคือหนูรู้ว่าหนูดีขึ้นแต่ว่ากิเลสมันเท่าเดิมหนูผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอคะ่ะไม่พลาดหรอกถ้าภาวนาแบบนี้แล้วกิเลสหายไปแนละ้วน่า ก, กลัวมากเลย <laughs> มันยังไม่ใช่เวลาลดลากิเลสมันเป็นเวลาฝึกพัฒนาเครื่องมือที่จะไปสู้กับกิเลสฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสติเหมือนยามคอยเฝ้าเวลามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจสติเป็นตัวรู้ทันนะใจก็ตั้งมั่นไปแค่คนดูเห็นว่าสิ่งที่แปลกปลอมมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับเรา เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้ปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปนีน่คือตัวปัญญาแล้วสมาธินี่หนูฝึกดูนี่มันใช่อย่างที่หลวงพ่อสอนหรือยังค่ะคล้ายคล้ายยังฟุ้งอยู่แล้วหนูต้องไปทําให้แบบเหมือนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทําทําทุกวันเลยยิ่งดีเนีเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ทันจิต จิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้รู้ไปเรื่อยๆอยการภาวนาไม่ใช่มุ่งไปที่ให้จิตสงบนะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ใช่มุ่งที่สงบถ้าพยายามทำจิตให้สงบมันจะเป็นการบังคับจิตใช้ไม่ได้<ะ>แต่ต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านคือไหลไปก็รู้นะอย่างอย่างหนู ตอนแรกหนูดูลมหายใจแล้วพุทโธแต่สักพักมันก็จะไปดูจิตที่ไหลออกแล้วก็สลับดูกายอะค่ะถูกๆก็เห็นจิตที่ไหลออกไปแล้วมันก็เลิกไหลเราไม่ต้องดึงนะเห็นมันไหลไปก็ไหลไปตัวที่ไหลไปเป็นอดีตไปแล้วตัวปัจจุบันเป็นตัวที่รู้ว่าเมื่อกี้ไหลอ้นนัก็จะมีเสียงบอกตลอดอย่างนี้ก็ยังพูดมันจิตยังพูดอยู่ คลอดเเลลยยูก็ร้อีกหลายปีนานนะกว่ามันจะเลิกพูดหลายปีอยู่พระโสดาสกทาคาอะไรยังพูดจ่อยๆเลยขอบคุณมากค่ะเวลาเราพูดก่อนจะพูดเราคิดนึกออกไหมเวลาที่เราคิดเนี่ยเราคิดเป็นคําพูด บางคนก็คิดเป็นตัวหนังสือใคร ค, คิดเป็นตัวหนังสือบ้างมีไหมอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเห็นตัวหนังสือพุทโธโผล่ขึ้นมานเรียกมีอิมเมจเวลาคิดแล้วมันมีอิมเมจมันจะคิดโดยไม่เหลืออนะิมเมจตอนเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะงั้นมันต้องมีอิมเมจขึ้นมา แต่ว่าบางคนมีเมดแล้วนะมันพูดด้วยอย่างมันเขียนคำว่าพูดโถมันก็พูดพูดโธด้วยนะหรือมันจะพูดไม่หยุดนะ<ม>อ่ะเอานี้โกรธอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะพากยัง ม, มีนับพากอยู่ตัวหนึ่งห้ามไม่ได้หรอกนะภาวนากันนานว่ามันจะหยุดพูดทั้งๆ ท, ที่หยุดพูดแล้วนะยังมีอิเมดอีก นะมีชั้นในอีกชั้นนึงเขาเขาเขาบอกว่าปกติเขาใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะคะแล้วก็เขาจะฝึกทําโยคะคะ่ะทีนี้ฝึกโยคะเนี่ยเขาฝึกประมาณสองชั่วโมงแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ลมหายใจด้วยทีนี้เขาสงสัยว่าเขาสามารถจะใช้เป็นเครื่องอยู่ได้ได้ไหมอ่ะ ให้เขาหายใจให้หลวงพ่อดูสิจะบอกให้เล่นโยคะให้ดูมก็เกินไปเราให้เขาทำอนาปันสีหายใจให้หลวงพ่อดูเนี่ยหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดนะให้รู้ทันว่าจิตมันขยับขยับไปนะหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะถ้าไม่จะพัฒนาได้ เวลาเราหายใจเราไม่ได้หายใจเพื่อให้มันสงบนะหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจไปจิตสงบรู้ทันหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจุดสำคัญคือการรู้ทันจิตตัวเองหนะลวงปู่มั่นบอกว่าได้จิตคือได้ธรรมได้ธรรมะเสียจิตก็คือเสียธรรมะไปง่้นที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะ เพื่อจะได้รู้เท่าทันจิตตนเองจิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอ ก, กุศลก็รู้การรู้เท่าทาันจิตนั้นเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติเพราะกุศลเกิดที่จิตอ ก, กุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนั้นได้จิตไว้ได้เครื่องมือสำคัญนะในการปฏิบัติเราหายใจเ้าพดธหา ย, อ, ยาออกโทอะไรคนะี้เพื่อจะรู้ทันจิต ไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบไปนั้นตื้นไปนหายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ตัวนี้สำคัญกว่าเอาข้าไปกลับหลวงพ่อคะ่ะขอโอกาสนะคะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วคะ่ะครั้งนี้ครั้งที่สามนะคะยกลมายอย่างนี้ที่ปฏิบัติอยู่นะคะก็คือกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะคะแล้วก็จิตเป็นยังไงก็รู้เป็นอย่างางนันนะคะก่อนหน้านี้ใจมันจะไหลแล้วเราจะรู้สึกอย่างนี้นะคะ่ะ ตอนนี้มันมันจะไม่เห็นมันจะเหมือนจะรู้เข้ามาที่ใจอะค่ะอย่าถล่มเข้าไปเพ่งข้างในน ะ, ะอย่ามุดเข้าไปข้างในน ะ, ะดูสบายๆถ้ามุดเข้าไปเพ่งข้างในนะก็ผิดอีกต อ, ตอนนี้เวลานั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะจิตมันจะชอบรวมแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็เชื่องมันสักพักหนึ่งมันก็จะรวมอีกน้ให้มันรวมไปนะ ไม่ต้องฝืนนะมันอยากรวมก็ให้มันรวมไปเราจะดูมันทำงานไม่ใช่นั่งบังคับมันไปเรื่อยๆเวลาจิตรวมนะก็ปล่อยให้มันรวมอย่าดึงขึ้นมาถ้าดึงแล้วปวดหัวเลยพอถึงเวลาแล้วมันก็ขึ้นมาเองแต่พอขึ้นมาแล้วมันขี้เกียจมันซึมๆเฉยๆไม่ยอมดูเกิดดับอันนั้นเราต้องช่วยมันกระตุ้นให้มันเจริญปัญญา พิจารณาร่างกายผมคนเล็บปันหนังเนยเองกระดูกอะไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญานะอย่าติดในสมาธิอยู่เฉยๆจะเสียเวลานะไปเดินปัญญาด้วยนะแล้วเวลาจิตลงพักให้พักไปพอขึ้นมาแล้วจเจริญปัญญาถ้าไม่จเจริญปัญญาคิดพิจารณาร่างกายไปเลยเราขอส่งสภาวะ จะได้ถามคําถามนะคะก็คือมีครั้งหนึ่งหนูสวดมนต์สวดมนต์ไปแล้วก็ใจมันก็เห็นปะขยับแล้วมันเหมือนมีอะไรหมุนหมุนอยู่ตรงกลางสักพักมันก็ตกลงไปอยเงค่ะแล้วมันก็จะเงียบเงียบแล้วมันก็ได้ความรู้สึกตัวมาอีกทีหนึ่งแล้วหนูก็สวดมนต์ต่อแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นแบบล้างจานแล้วก็ดูดูละล้างใจล้างจานแล้วไอ้ตัวหมุนหมุนอย่างเงี้ยอืเป็นอีกแล้วมันก็ตก ไปอีกคราวนี้มันมันอะไรตกตอนนั้นเหมือนกับมันยังไม่ได้แปลนะคะแต่เหมือนกับความรู้สึกมันหายไปเลยแล้วหรือแล้วเหลือความรู้สึกตัวอยู่ไหมเหลืออยู่ค่ะเหมือนกับมันยังจะเห็นอยู่นะคะว่านั่นแหละอย่างนั้นดีถ้าความรู้สึกตัวหายไปนะไม่ดีเลยค่ะสักพักมันเหมือนกับเห็นเหมือนกับเป็นหน้ายางเหนียวๆดึงดึงเข้ามาออพอได้กายเข้ามารู้สึกก็เหมือนกับ เหมือนกับมีใครโยนหินใส่เราเหมือนกับมันเป็นพาย่าค่ะอืมแล้วก็จังหวะที่สองมันเหมือนกับมันเปิดอายตนะทั้งทั้งหกมันเปิดพร้อมกันเลยอืแล้วก็ใจมันก็บ่นว่าเออไม่มันจะพ้นไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะฉะนล้นหนูก็ล้างจานต่อืมพอดูพอย้อนมองกลับอีกทีหนึ่งมันเห็นมันใจมันอยู่ในกล่องโดนขังอยู่ในกล่องดี แล้วก็มันก็ดิ้นค่ะดิ้นชนกล่องแบบไม่ซ้ำจุดเลยเออกล่องนี้เหนียวนะไม่แตกหรอกทำไงก็ไม่แตกนะตัวที่ทำให้กล่องนี้แตกนะคืออริยมรรคแล้วแตกครั้งที่หนึ่งมันจะซ่อมตัวเองอย่างรวดเร็วเลยครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็กลับมาซ่อมตัวเองนะต้องแตกสี่ครั้งนะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราถูกขังอยู่เราไม่มีสละ เราเห็นแล้วว่าขันเนี้เป็นภาระรู้สึกไหมมันเป็นภาระนะภาวานาดีแล้วล่ะตรงที่เราเห็นหมุนหมุนอยู่กลางหน้าอกนะ่คือตัววัตตะหมุนอยู่อย่างนั้นแหละหมุนหมุนหมุนแล้วก็ส่งตัณหาขึ้นมาได้นะส่งอยากขึ้นมาใช่ไหมมันฝุดขึ้นมาอย่างเงี้ยนันแหลดูอย่างนั้นแหละดูไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็หายไปแต่วันนั้นคือต้องเป็นพระอรหันต์แล้วตัวนี้ถึงจะตาย หนูมีคําถามอีดหนึ่งคำถามานนะคุณพ่อคือสองครั้งที่มันมันเกิดขึ้นอะคะ่ะไอสภาวะที่เราเห็นว่าใจดูร่างกายแล้วก็มันมีหมุนหมุนอย่างเงี้ยอือย่างนี้เราเรียกว่าสักว่ารู้สักว่าดูาหรือเะล่าคะถูกสักว่ารู้แล้วมันมีอะไรเป็นเหตุะฮมันมีอะไรเป็นเหตุมีสติสมาธิปัญญาเป็นเหตุอันนี้หนูหนูขอกันบ้านต่อได้ไหมคือทําอีกอย่าอยากนะ ใจยังโลภอยู่รู้สึกไหมรู้สึกค่ะอยากจะเามันจะมันมันบางทีมันูุจนแบบว่าเราเราอยากจะไปอืนั่นแหละไปดูหลวงพ่อบอกให้เพื่อเป็นกำลังใจยังไงมันก็ไม่แตกมันแตกครั้งที่หนึ่งนะตอนเป็นพระโสดาบันเพราะฉะต้องแตกสี่ครั้ง อันนี้เรียนจากหลวงปูดูลนะเคยถามหลวงปูดูลหลวงปูครับต้องจิตยิ้มกี่ครั้งครับถึงจะจบหลวงปูนับเลยยกมือขึ้นมาหนึ่งสองสามโอ้สี่สี่สสน่ะถ้านับดูได้สี่ครั้งไปภาวนาอีกภาวนาได้ดีเห็นกิเลสอะไรบ้างดูออกเปล่าต่นใหญ่จะลง <laughs> หลงแล้วก็ฟุ้งซ่านตัวนี้ตอนนี้จะเป็นฟุ้งซ่านอืมตัวงดหยิดเห็นไหมเห็นค่ะก็คือฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็มาลาคาญนั่นแหละฟุ้งซ่านลาคาญใจะนะดีเห็นถูกแล้วส่วนนี้เป็นกิเลสที่เยอะของเรานะว่าเขาดูจิตตามที่หลวงพ่อสอนมาสักพักหนึ่งแล้วคะ่ะไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าเพราะว่า เวลาที่เขาเขาบอกว่าเขาเห็นกิเลสตัวเองได้เรื่อยๆแต่มันก็ติดอยู่ตรงที่เห็นกิเลสนี่แหละเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรต่อจนบางทีเขารู้สึกเขาโกรธตัวเองหงุดหงิดตัวเองแล้วบางทีก็พานเป็นหงุดหงิดคนอื่นด้วยค่ะตอนที่เห็นกิเลสก็ดีนะที่แล้วมีกิเลสก่อนแล้วเราก็รู้ทันกิเลสตัวที่รู้ทันกิเลสเนี่ยเป็นกุศลนะเสร็จแล้วก็เกิดกิเลสอีกตัวหนึ่งไม่ชอบเลยมีกิเลสเนี่ยไม่ชอบมันตัวนี้เป็นกิเลสตัวใหม่นะ บางทีพากิเลสเกิดขึ้นนะบางทีรุนแรงขึ้นมาก็อาละวาดโมโหตัวเองบ้างโมโหคนอื่นบ้างนี่เป็นกิเลสอีกตัวนะไม่ใช่ตัวหลงตัวแรกนะไอ้กิเลสเนี่ยก็เกิดดับเรื่อยๆตัวแรกหลงไปเกิดรู้สึกตัวเกิดโมโหตัวเองโมโหตัวเองไม่ได้อย่างใจอยากอยากจะดีแล้วไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธตัวเอง แต่ดูกิเลสมันจะทำงานเป็นช็อตๆไปนะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเป็นเป็นช่วงช่วงช่วงไปนะแล้วจะเห็นได้ว่าสภาวะทั้งหมดทั้งที่เป็นกิเลสทั้งที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นที่เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาดีนะไม่ใช่เพื่อว่าไม่มีกิเลสแต่เราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับหมด อย่างจิตที่หลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวก็เกิดจิตที่หลงหลงไปคิดว่าเฮ้ยมันทําไมหลงบอ่อยอะไรเงี้ยเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยจิตที่หงุดหงิดก็เกิดขึ้นมาถ้าเรารู้ทันจิตที่หงุดหง de, ิดีจิตที่หงุดหงิดก็ดับเราจะเห็นจิตทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติเนี่ยคือการเห็นว่าท er ุกอย่างเกิดแล้วดับ เราไม่ได้ต้องการจิตที่ดีนะเพราะความดีไม่เที่ยงไม่คงที่เราต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ น, นดูไปเรื่อยๆนะถ้าปฏิบัติเพื่อเอาดีแล้วก็จะอกหักนะมุ่งเอาดีมุ่งเอาสุขมุ่งเอาสงบจะล้มเหลวเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงแต่ความจริงมันเที่ยง เคยได้ยินไหมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงมันไม่ตายมันคงที่ากบาบธรรมะการหลวงพ่อค่ะ ม, มามาจากพิษณุโลกค่ะค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักเดือนกว่าๆค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่หนูปฏิบัติมาเนี่ยถูกไหมคะถูกเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม เห็นค่ะนะเนี่ยมันเริ่มดีแล้วล่ะจิตใจมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้สึกไ้ยร่างกายที่ถือไม้อยู่มันถูกรู้รู้ค่ะนะร่างกายมันถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกความรู้สึกทั้งหลายนะจะสุขจะทุกข์จดีจะชั่วก็เป็นของถูกรู้เห็นแล้วยังตัวนี้ค่ะเห็นแล้วก็ดีแล้วไปดูไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นในจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตที่เป็นผู้คิดก็ไม่เที่ยง เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆใช้ได้นะเดือนหนึ่งภาวนาได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วข อ, อขอให้หลวงพ่อแนะนำช่วยเวลาเราภาวนาเนี่ยค่ะบางครั้งมันก็จะติดๆอะค่ะมีอะไรนะมันบางครั้งมันก็จะติดๆตรงหน้าอกอะค่ะบางครั้งค่ะติดมันมันแน่นตรงหน้าอกอะค่ะเป็นบางครั้งค่ะที่มันแน่นเพราะว่าเราจงใจปฏิบัติเราอยากดูให้ชัด อยากเห็นชัดๆอยากให้มันดีนะเนี่ยเวลาอยากขึ้นมาทีไรนะั้นมันจะแน่นทุกทีแหละเพราะความอยากเป็นตัวสมุทรไทยผลของความอยากเป็นตัวทุก์ทุกก็ขึ้นมาเกิดขึ้นกลางอกนั่นแหล ะ, ะสงสัยอะไรก็ไปถามพระพุทธชินราชได้นะท่านเก่งสาธุ ค, ค่ะ เอ้าพูดจริงๆนะหัวเราะแล้ว oh. พระพุทธรูปคูบ้านคูเมืองเนี้ยบบมีพวกพวกเทวดาพวกพรหมอะไรเนี้ยอยู่นะพวกนี้บางองค์ก็เก่งด้านภาวนาบางองค์รักษาโรคเก่งอะไรเงี้ยอยู่ที่เรามีบุญพอไหม เราสร้างบุญสร้างอะไรนะให้จิตใจของเราดีนะมีสมาธิอะไรเงี้ยเราสื่อสารได้นะสื่อสารได้บางทีท่านก็สอนกรรมาฐานให้ก็ได้หรือบางทีเราทําอะไรไม่ดีนะท่านเตือนเลยนะอย่างเราห้อยพระเอาไว้นะพระดินเลยนะเวล า, าเราจะชั่วนะพระดินรุกดิก้กรุกดิ้นเลยนะไม่ได้สอนให้งม ง, งายนะ แต่สอนบอกว่าให้ฝึกจิตให้มันมีสมาธิมีพลังสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานทั้งนั้นว่าไงครับคือผมอยากจะเรียงสอบถามหลวงพ่อว่าภาวนาดีครับก่อนนั้นนี้ประมาณช่วงต้นๆ้นปีถึงประมาณเมษานะยนยกใหม่งี้ครับผมแล้วก็เวลานอนภาวนาไปแล้วเนี่ยเวลาหลับก็จะเห็นจิตทํโน่นทํานี่แล้วสติก็ตามรู้นะครับอะไรนะ เวลานอนหลับแล้วเวลานอนภาวนานะครับหลับไปแล้วสจิตไปนน่นไปนี่สติก็ตามรู้อะไรเออมันต้องอย่างนั้นแหละทีนี้ผมก็เลยจะดูว่ารอยปฏิติประต่อระหว่างก่อนหลับกับหลับไปแล้วนี่ยจะเป็นยังไงนะทีนี้จิตก็จะออกจากร่างอสไลด์เหมือนถอดมีดออกจากฝักอะไรมานั้นนะครับชา้าๆแต่ก็รู้สึกตัวว่าตัวชา้าๆนะอืมแล้วก็บางครั้งก็สไลด์ออกไปจนสุดตัวแล้วลุกไปยืน ไปบนมาแล้ว ก, กลับมาในลักษณะเดิมโถไปทำไมไปบิดเท่านั้นหรอไม่รู้เหมือนกันนะบางทีก็สไลด์ออกแต่ก็ไม่สุดแต่ก็ดับไปประมาณนี้นครับดีที่มันไม่ไปหลวงพ่อนะตั้งแต่เล็กๆเลยเจ็ดแปดขวบนะสไลด์อย่างนั้นไม่สไลด์อยู่แค่นี้นะสไลด์ทะลุทะลวงอยากรู้อยากเห็นอะไรวิ่งไปดูเลยนะครับดีแล้วที่ไม่ไปครับผมแล้วก็ ในช่วงนี้ก็เวลาพูดทักทายเพื่อนอะไรก็เห็นจิตอยากจะพูดอะไรประมาณนี้นะครับดีแล้วอย่าไปสอนธรรมะนะตอนนี้ยครับถ้าสอนธรรมะมันจะฟุ้งจิตจะเสียครับผมเอาตัวรอดก่อนครับผมแล้วในส่วนของการที่ร่างกายเกิดการกระดิกหรือกระตุกไปทั่วทั้งตัวนี่เป็นร่างกายเลยนะ อ, อร่างกายมันเกิดอาการกระตุกหรือคล้ายๆกระดิกอะไรไปทั่วทั้งตัวเนี่ยเป็นอยู่ประจำๆนี่ อย่างนี้เรียกสภาวะธรรมหรือเปล่าร่างกายตัวร่างกายเป็นสภาวะนะเป็นรูปธรรมมันจะกระตุกดูสิเราเจตนากระตุกหรเปล่าอ๋อไม่ครับเห็นไมขึ้นเองครับมันแค่กระพุ่ขึ้นมาครับผมนั่นแหละมันสอนใช่ไหมมันสอนอนัตตาให้เราดูครับผมร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันทุบทับทุบทของมันอยู่อย่างั้นนะแล้วเวลาทํางานหน้างานมันจะวุ่นวายมากอะไรยนี้นะครับในส่วนของ การลงเช็คชีตเครื่องจักรนี้มันไม่เป็นตามไปเป็นไปตามความจริงครับเพราะว่าเราต้องเมคเอาอะไรคือมันไม่มันผิดสินครับผมจุดนี้นะอะไรนะก็คือว่าการทํางานอยู่ณที่ทํางานเนี่ยเราไม่สามารถเช็คงานได้ทุกจังหวะในส่วนของเช็คชีตเครื่องจักรเราก็เลยต้องเมคเอาอันนี้มันคิดอยู่เสมอมันผิดสินครับจุดนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงครับหลวพ่อฟังไม่เข้าใจ กรอกข้อมูลไม่ตรงอะ่ะครับผ ม, มตั้งสติใหม่เพราะว่าหน้างานมันวุ่นวครับหลวงพ่อให้มันสติสมาธิอยู่ที่งานนะสติสมาธิไม่ได้อยู่ที่จิตนะเขาจ้างเราไปทํางานเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัติ <laughs> นะงั้นะสติจดจ่ออยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาคิดพิจรารณาเรื่องงานนะเราจะได้ทํางานได้ดีบแบ่งบหน้าที่ของเราให้ออก เรามีหน้าที่ตอนนี้เรามีหน้าที่ทำงานสติสมาธิปัญญาทำงานไปหมดเวลาทำงานแล้วตอนนี้กิเลสเกิดแล้วนะหรือตอนระหว่างทางานเกิดขี้เกียจขึ้นมานีนะ้เราค่อยมีสติรู้เข้ามาพอหายขี้เกียจแล้วไปทำงานตั้งอกตั้งใจต่อที่ทำงานผิดพลาดนะเพราะเราไม่สนใจนะเราจะภาวนาอย่างเดีย ว, วสิมันก็ผิดหมดแล้วครับผมนะแล้วต้องรู้หน้าที่ ตอนนี้มีหน้าที่ทำงานตั้งใจทำงานแล้วเวลาในส่วนของการสวดมนต์ก็จะเห็นความคิดร่วมเข้ามาด้วยพอสวดไปพักหนึ่งก็จะเหลือแต่บทสวดมนต์เนอะครับผมแปกสิเสียงเสียงของโยมเนะมันอยู่ในโทนซึ่งหูของคนแก่เนี่ยฟังยากครับผมคือเวลาสวดมนต์เนี่ยเอออย่างนี้ฟังชัดขึ้น คือเวลาสวดมนต์ก็จะเห็นในส่วนของความคิดเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็พอสวดไปอความคิดก็จะดับไปก็จะเหลือแต่บทสวดมนต์นั่นเองอครับผมประมาณนี้ห้ามมันไม่ได้หรอกนะใจมันยังฟุ้งอยู่แอบไปคิดเรื่องอื่นพอมสมาธิมันดีขึ้นมันก็เหลือแต่บทสวดมนต์นะพอสมาธิมากกว่านั้นนะบทสวดมนต์ก็หายไปด้วยนะเหลือแต่รู้สึกตัวครับ <นะ S 1> บางทีก็สวดสวดไปลืมบทสวดครับผมนั่นแหละบทสวดมันหาย นะมันเหลือแต่จิตทรงตัวรู้ตัวอยู่นั้นเป็นอย่างนั้นแหละปกตคิคือผมอยากจะข อ, อกันบ้านหลวงพ่อด้วยขอรับไปฝึกตัวนี้นะฝึกให้สามารถจำแนกได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาทำงานตั้งใจทำงานนะงั้นเดี๋ยวจะตกงานนะครับผมขอบคุณครับดีนะภาวนาใช้ได้นะหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน วันนี้ส่งกันบ้านได้มันมากหลายคนดีกว่าจิตหนูเป็นยังไงคะฝังแล้วเบื่อ